ตอนนี้เรียนพระสูตรชื่อว่ามหาตันหาสังคยสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องความสิ้นไปหรือว่าธรรมะที่เป็นเหตุให้ถึงความสิ้นไปแห่งตันหาพระสูตรขนาดใหญ่พระสูตรที่ว่าด้วยแง่มุมที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการที่จะทําให้สิ้นตันหาได้นะในพระสูตรนี้ก็กล่าวถึง ความเข้าใจที่ผิดพลาดของภิษุรูมหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณและพระองค์ก็ได้สักไซไล่เลียงแล้วก็ได้กล่าวถึงความเข้าใจเรื่องของวิญญาณที่ถูกต้องก็คือเป็นวิญญาณชนิดที่ปฏิจจะสมุ ป, ปันนังวิญญาณนงวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอิงอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยนี้จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือแสดงเห็นว่า วิญญาณก็เป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันเกิดเพราะความพร้อมแห่งเหตุแห่งปัจจัยถ้าปัจจัยบกพร่องไปหรือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยพร้อมก็ไม่เกิดขึ้นก็เหมือนกับสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นที่เป็นฝ่ายสังขารเกิดขึ้นก็เพราะความพร้อมแห่งเหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมมันก็ไม่เกิดเท่านั้นเองนะ และพระองค์ก็กล่าวถึงวิญญาณหอย่างซึ่งได้ชื่อตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นเพราะอาศัยตากับรูปเกิดการรับรู้ขึ้นเกิดวิญญาณขึ้นวิญญาณนั้นก็ได้ชื่อว่าจักขุวิญญาณเพราะอาศัยหูกับเสียงเกิดวิญญาณขึ้นเรียกว่าโสตะวิญญาณเพราะอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดวิญญาณขึ้นเรียกว่าคานะวิญญาณ อาศัยลิ้นกับรสเกิดวิญญาณขึ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณอาศัยกายกลับกับโผฏฐพัคคือสัมผัสทางผิวกายเกิดวิญญาณขึ้นเรียกว่ากายวิญญาณอาศัยใจกับธรรมะเกิดวิญญาณขึ้นเรียกว่ามโนวิญญาณอุปามาเหมือนกับไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยอะไรก็ได้ชื่อไฟ ตามปัจจัยนั้นๆที่ทําให้มันเกิดขึ้นเช่นไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยไม้ก็เรียกว่าไฟไม้อาศัยป่าเกิดขึ้นก็เรียกว่าไฟป่าอาศัยหญ้าเกิดขึ้นก็เรียกว่าไฟหญ้าหรือไฟไม่หญ้าอาศัยมูลโคขี้โคเกิดขึ้นก็เรียกว่าไฟมูลโคอาศัยแกลบเกิดขึ้นก็เรียกว่าไฟแกลบอาศัยอยากเยื่อเศษขยะเกิดขึ้นก็เรียกว่าไฟอยากเยื่อไฟเผาขยะ อย่างนี้นะครับต่อไปหลังจากพระองค์กล่าวถึงเรื่องวิญญาณที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วพระองค์ก็กล่าวเรื่องของขันทั้ง5ที่มันเกิดขึ้นนี้ก็เป็นไปในทํานองเดียวกันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นปรากฏขึ้นเป็นตัวเราเป็นกายเป็นใจนี้ก็คือขันทั้ง5นั่นแหละที่มันเกิดขึ้นคาว่าที่มันเกิดขึ้นก็มองชัดลงไปให้เห็นถึงว่า อันนี้มันมีเหตุมีปัจจัยมีอาหารมามันจึงเกิดถ้าไม่มีเหตุปัจจัยพร้อมมันก็ไม่เกิดเท่านั้นเองนะก็เหมือนเรื่องของวิญญาณเมื่อกี้นี้นั่นเองต่อไปในบาลีข้อ401ในหน้าที่4อ่านพร้อมกันนะครับภูตามิดันติพิกเวปัสถาติเอวังพันเตตดาหารสัมพวันติ พิกเวปัสถาติเอวังพันเตตดาหารนิโรธายังภูตังตังนิโรธธรรมมันติพิกเวปัสถาติเอวังพันเตภูตะมิดังโนสุติพิกเวกังคโตอุ ป, ปัชชติ วิจิกิจฉาติเอวังพันเตดดาหาระสัมภวังโนตสูติภิกขเวกังขโตอุ ป, ปัชชติวิจิกิจฉาติเอวังพันเตดดาหาระนิโรธายังภูตังตังนิโรธธรรมังโนตสูติ พิกเวังกังขโตอุ ป, ปั ช, ชติวิจิกิจฉาติเอวังพันเตภูตะมิดันติพิกเวยะถาภูตังสั ม, มปัญญายปัสโตยาวิจิกิจฉาสาปะฮิยะติติเอวังพันเตธดาหาระสัมพวันติ พิกเวยถาภูตังสั ม, มปัญญายาปัสโตญาวิจิกิจฉาสาปะฮิยติติเอวังพันเตตดาหารนิโรธายังภูตังตังนิโรธาธรรมมันติพิกเวยถาภูตังสั ม, มปัญญายาปัสโต ยาวิจิกิจฉาสาปะหียติติเอวังพันเตพูตามิดันติพิกเวิติปิโวเอทานิพิจิกิจฉาติเอวังพันเตตะดาหารสัมภวันติพิกเวิติปิโวเอทา นิพพิจิกิจฉาติเอวังพันเตตะดาหาระนิโรธายังภูตังตังนิโรธธรรมมันติพิกเวอิติปิโวเอทะนิพพิจิกิจฉาติเอวังพันเตตมิดันติพิกเวยะถาภูตัง สั ม, มปัญญายะสุติถันติเอวังพันเตตดาหาระสัมพวันติพิกเวยถาภูตังสัมมปัญญาญาสุติถันติเอวังพันเตตดาหาระนิโรธายังภูตังตังนิโรธธรรมมันติพิกเว ยะถาภูตังสั ม, มปัญญายะสุตถังเอวังพันเตอิมันเจตุมิเหพิฆเวดิถิงเอวังปริสุทังเอวังปริโยดาตังอันลีเยทะกีลาเยทะทานาเยทะมะมาเยทะ ระปินุเมตุมัยเหพิกเวกันลูกุลูปะมังธรร ม, มังเดิตังอาชาเนยทะนิธารนัตถายะโนฆานัตถายาติโนเหตังพันเตอิมันเจตุมมเหพิกเวดิทถิง เอวังปริสุทธังเอวังปริโยดาตังนาะอันลีเยธะนาะเกลาเยธะนาะธนายทธานามะม า, มาเยธะอปินุมเมตุมเหพิกเวกุลูปะมังธรมมังเดสิตังอาชานยาทะนิธรณัฏฐายะ โนคานัฏฐานิเอวังพันเตนาต่อไปพระองค์ก็จะตรัสถามพิสูจนทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องขันตังห้าที่มันเกิดขึ้นมาแล้วที่มันเกิดขึ้นมาก็เป็นกลุ่มก้อนกองของขันทังห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเห็นผิดแล้วก็ยึดถือมันว่าเป็นตัวเรานี่แหละนะครับถ้าเห็นโดยถูกต้องเข้าใจโดยถูกต้อง ก็ชื่อว่าได้รอบรู้หรือว่าได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้นำไปฝึกฝนให้เกิดปัญญาต่อไปนะในบาลีข้อ401ภูตะมิดันติพิกเวปัสถาติพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นขันธ์ทั้งห้าที่มันเกิดขึ้นแล้วหรือภูตังบวกกับอิดังนะภูตะ ภูตังก็แปลว่าเกิดขึ้นมาแล้วอีดังก็แปลว่านี้เธอทั้งหลายได้เห็นขันทั้ง5นี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่เกิดขึ้นมาแล้วนี้คือกายกับใจเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตอนแรกกล่าวถึงวิญญาณไปแล้วเป็นวิญญาณขันยังไม่ได้กล่าวถึงขันอื่นๆเห็นไหมรูปที่มันเกิดขึ้นนี้เห็นไหมรูปไม่ใช่ตัวเรานะเป็นรูปที่มันเกิดขึ้น เวทนาที่มันเกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นนี้เป็นของที่เป็นผลมาจากเหตุจากปัจจัยนะรูปทีน่นั่งอยู่นี่เวทนาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เป็นผลมาจากเหตุปัจจัยนะรู้จักไหมเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนี้เป็นขันนะสัญญาสังขารและวิญญาณภูตมิดังอิติภิกเวปัสสะดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นขันทั้งห้านี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือ ที่สุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเอวังพันเตเห็นพระเจ้าข้านะครับเห็นว่ากายกับใจขันตั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เกิดขึ้นนั้นเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนนะรูปเวลาพูดถึงรูปที่มันเกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นผลมาจากเหตุจากปัจจัยไม่มีตัวตนนะพูดถึงตัวเวทนาที่มันเกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นว่ามันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยไม่มีตัวตนนะ สัญญาสังขารวิญญาณก็ทํานองเดียวกันนะครับตดาหาระสัมภวันติพิกเวปัสถาติดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายพวกเธอเห็นขันทั้ง5้าที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหรือตดาหาระสัมภวังนะตถาหาระสัมภวังสัมภวังก็แปลว่าเกิดขึ้นตดาหาระ ก็มาจากคำว่าตังบวกกับอาหารตังก็คือขันทั้งห้านั้นที่มันเกิดขึ้นก็เพราะอาหารมีปัจจัยปัจจัยมันมีอยู่ปัจจัยมันพร้อมขันห้ามันจึงเป็นอย่างนั้นรูปมันพร้อมแล้วเหตุปัใจจัยให้รูปชนิดนั้นเกิดขึ้นรูปชนิดนั้นจึงเกิดขึ้นเวทนามันมีเหตุปัจจัยพร้อมแล้วเวทนาชนิดนั้นจึงเกิดขึ้น อันนี้เรียกว่าตดาหาระสัมภวังสัมภวังก็แปลว่าเกิดตาดาหาระขันอันนั้นอันนั้นเกิดเพราะอาหารดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นขันนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารเพราะปัจจัยหรือเอวังพันเตอย่างนั้นพระเจ้าข้านะต่อไปก็เห็นความดับนะ แต่ดาหาระนิโรธาอย่างภูตังตังนิโรธธรรมมันติพิกเวปัสสดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นขันธ์ทั้ง5ที่เกิดขึ้นแล้วเพราะความดับไปของอาหารความหมดไปของอาหารขันธ์หานั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาหรือภิกษุทั้งหลายก็กลาบทูลว่าเอวังพันเตอย่างนั้นพระเจ้าค่านะครับอันนี้ ในการเห็นที่ถูกต้องก็เห็น3ส่วนหลักๆอันนี้ก็คือเห็นตัวขันห้าที่มันเกิดขึ้นเห็นตัวขันห้าที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเกิดเพราะมีเหตุนี่อันที่2อันที่3มก็มันดับไปเมื่อหมดเหตุเห็นไหมเห็นตัวมันเห็นว่ามันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมันไม่ได้มีอยู่ก่อนนะมีเหตุมันจึงเกิดขึ้นและมันหมดไปเมื่อหมดเหตุเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุ หมดไปเมื่อหมดเหตุนี่เป็นความเห็นที่ถูกต้องมีความเห็น3ามแง่มุมอย่างนี้รู้จักตัวมันตามที่มันเป็นจริงมันเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุมันหมดไปเมื่อหมดเหตุเราเห็นชัดอย่างนี้ไหมทุกเหตุการณ์ทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเห็นชัดอย่างนี้ก็ใช้ได้ถ้ายังไม่เห็นชัดก็ฝึกฝนให้มีความเห็นชัดถูกต้องอย่างนี้นะครับถ้ายังไม่เห็นก็ต้องฟังก่อนไปยึดถืออันใดอันหนึ่งไว้ไม่ได้นะ ทุกเหตุการณ์ทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละรวมทั้งขันทั้ง5้ากายกับใจเราด้วยนะครับเห็นรู้จักตัวมันไหมพระพุทธเจ้าถามเนี่ยเห็นไหมขันห้าที่มันเกิดขึ้นนี้ภิกษุก็บอกว่าเห็นนะขันห้าเกิดเพราะเหตุปัจจัยนี้เธอเห็นไหมเห็นขันทั้ง5ที่เกิดขึ้นมาแล้วพอเหตุปัจจัยมันดับไปมันก็จะดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหมภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าเห็นนะ นิโรธาทำมั่งก็มีความดับไปเป็นธรรมดาดับไปเพราะอะไรเพราะว่าอาหารมันดับเหตุมันหมดตัวมันก็ดับไปนะมันดับไปเมื่อมันหมดเหตุไม่ใช่ดับไปเมื่อเราอยากให้มันดับหรือว่าไปทําให้มันดับนะเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมันดับไปเมื่อหมดเหตุ น, นี่คํา3คํานี้ก็คือรู้จักตัวมันรู้จักว่ามันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุ รู้จักว่ามันดับไปเมื่อหมดเหตุรู้จักไหมรูปนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุมันดับไปเมื่อหมดเหตุเวทนานี่มันไม่ใช่ตัวเรามันเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุมันดับไปเมื่อหมดเหตุรู้ไหมแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยทุกเรื่องนะตั้งแต่เรื่องกายใจตัวเองบุคคลอื่นปรากฏการทุกอย่างนี่เหมือนกันอย่างนี้หมดนะครับนี่พระองค์ก็ถามภิกษุทั้งหลายนะภิกษุทั้งหลายก็เอวางพันเตจนหมดนะ ก็หมายถึงว่ารู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นส่วนเราทั้งหลายเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วแต่นะครับท่านยังไม่เห็นก็แสดงว่าอ๋อยังมีความเห็นผิดอยู่บางส่วนก็ต้องไปฝึกฝนเอานะครับต่อไปพระองค์ก็จะได้ตรัสถึงความสงสัยและการสิ้นความสงสัยการประพฤติปฏิบัติก็เพื่อเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละ3มชุดนี่แหละรู้จักขันห้าว่าเป็นของเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุหมดไปเมื่อหมดเหตุ เท่านี้แหละความสงสัยอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้แหละนะพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าภูตมิดังโนตสุอิติภิกขเวกังคตโตอุปัตชติวิจิกิจฉาดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันทั้งห้ามีอยู่หรือหนอใช่หรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าเอวังพันเต ขันทั้งห้าความสงสัยที่เรามีทั้งหมดนี้นะมันเกี่ยวกับเรื่องขันทั้งห้าใช่หรือไม่เกี่ยวกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางคนก็โอ้ในอดีตรเราเคยมีอยู่หรือเปล่าในอนาคตเราจะมีหรือเปล่าสัตว์น ร, รกมีหรือเปล่าเทวดามีหรือเปล่าทำนี่แล้วจะได้นั่นทำนั่นแล้วจะได้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้จริงหรือเปล่ามันก็แค่เรื่องขันหใช่ไหม ความสงสัยที่มันเกิดขึ้นนี่ความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันห้ามีอยู่หรือใช่ไหมนี่ถามภิกษุทั้งหลายนี่มีอยู่เท่านี้เองนะแต่เราสงสัยเยอะไหมทัวเนี้ยสงสัยเยอะเนาะโอ้แล้วเราทำบุญนี้แล้วจะได้อะไรต่อไปจะเห็นอะไรจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็มีแต่เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ต่อไปมันจะสุขไหมต่อไปจะสงบไหมก็เรื่องอะไรก็เรื่องสังขารเรื่องเวทนาเท่านั้นเองนี่ความสงสัยที่เกิดขึ้นก็เพราะเคลือบแคลงแต่ในเรื่องขันตั้งห้านี่เองเพราะยังไม่รู้จักมันตามที่เป็นจริงมันก็เลยเกิดความเคลือบแคลงสงสัยอยู่นะแต่ถ้าเรารู้จักมันตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าเออมันเป็นแต่ขันเกิดเพราะเหตุหมดไปเมือ่อหมดเหตุเราจะเหลือความเคลือบแคลงสงสัยไหมไม่มีเลย นี่พระองค์ก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันทั้งห้านี้มันมีอยู่หรือไม่มันมีจริงไหมหรือว่ามันเป็นยังไงอดีตเป็นยังไงแล้วต่อไปจะเป็นยังไงทำนี้แล้วจะได้อะไรอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตสงสัยอย่างนี้ัหยเราทั้งหลายเนี่ยก็มีแต่เรื่องขันหานะภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเอวังพันเตอย่างนั้นพระเจ้าค่า ต่อไปก็เรื่องอาหารนะตะดาหาระสัมภวังโน ส, สูติภิกขเวกังคโตอุปจติวิจิกิจฉาดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเครือบแคลงว่าขันทั้งห้านั้นเป็นของเกิดขึ้นเพราะอาหารใช่หรือไม่สงสัยไหมแม้น่าจะมีกรรมเก่าเป็นคนทําให้แหมผู้มีอานาจศักดิ์สิทธิ์เป็นคนทําให้จริงๆ มันมีแต่วนเวียนอยู่เรื่องพวกเนี้นะมันก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจริงหรือเปล่ามันยังไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรต่างๆมันก็ยังสงสัยมีผู้มีอํานาจบรรดาลมีผู้มีอาํานาจนั่นอํานาจนี่มีผู้สร้างมีผู้ยิ่งใหญ่มีทางที่ดีกว่านั้นไหมมีอะไรไหมมันก็ยังสงสัยอยู่อย่างนี้ฉะนั้นความสงสัยที่มันเกิดขึ้นก็เพราะเครือบแคลงในแง่ของว่า ขันห้าเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจริงหรือไม่ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงว่าขันห้าล้วนเป็นไปตามเหตุความสงสัยจะมีหมัหยไม่มีแต่เรานี่ยังไม่เชื่ออันนี้ความสงสัยมันจึงเกิดได้เมื่อเกิดขึ้นมาก็แหมกรรมเก่าทำให้เจ้ากรรมนายเวรทาให้อะไรทำให้บ้างอะผู้มีอำนาจทำให้มีอะไรอยู่เบื้องหลังอะไรก็ไม่รู้วนเวียนไปเรื่อยนะ อันนี้พระองค์ก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเครือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้านั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารใช่หรือไม่สงสัยน่าสงสัยเหมือนกันนะภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าเอวังพันเตใช่พระเจ้าค่าต่อไปตดาหาระนิโรธายังภูตังตังนิโรธรรมนิโรธธรรมังโนตสูติ พิกเวกังคโตอุปัชติวิจิกิจชาดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันทั้งห้านั้นเพราะการดับไปของอาหารขันทั้งห้านั้นก็จะดับไปเป็นธรรมดาใช่หรือไม่ทุกสิ่งที่มันเกิดนี่นะเกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะหมดเหตุมันจะดับไปเรายังสงสัยข้อนี้อยู่ไหมส่วนใหญ่เราสงสัยอยู่พอสงสัยอยู่เราก็จะไปทาลายอันนั้นอันนี้ ความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะเหตุหมดเหตุมันก็จะดับไปแต่เราหาวิธีไปดับทุกข์อยู่ใช่ไหมนี่แสดงว่าเราสงสัยเรื่องนี้อยู่เห็นไหมเนี่ยความสงสัยมันเกิดแม้น่าจะมีวิธีที่มันอันนั้นอันนี้กว่านั้นกว่านี้วนเวียนไปเรื่อยๆแต่ว่ามันเกิดตามเหตุหมดเหตุมันดับนะฉะนั้นความเครือบแคลงสงสัยความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเครือบแคลงว่าขันทั้ง5้านี้มันเกิดขึ้นแล้วพอมันหมดเหตุ มันก็จะดับไปเป็นธรรมดาเรายังสงสัยอันนี้อยู่เรายังสงสัยมันอยู่มันใช่หรือเปล่าสงสัยไหมยังไม่เชื่ออีกเหรอสิ่งใดเกิดจากเหตุสิ่งนั้นก็จะหมดไปเพราะหมดเหตุยังไม่เชื่อใช่ไหมมันน่าจะมีกําลังภายในอะไรบางมันก็อย่างเนี้ยความสงสัยมันจึงเกิดว่าเอ้ยน่าจะมีวิธีอื่นอย่างนั้นอย่างนี้แทนที่จะ รู้ว่าอ๋อจริงๆมันเป็นอย่างนี้เราต้องฝึกฝนให้มีปัญญามองดูมันตามที่เป็นจริงไอ้เราก็ยังมีกําลังภายในไปสู้มันอย่างนั้นอย่างนี้จะแปลงมันอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เรื่อยเพราะมันสงสัยมันสงสัยว่ามันเกิดเพราะเหตุหมดเหตุมันดับเรากลัวมันจะไม่ใช่ไงเห็นไหมเราทุกวันนี้มันกลัวจะไม่ใช่อันนี้อยู่เราจึงไปจัดแจงไปจัดการอันนั้นอันนี้เยอะแยะนะจัดการความเบื่อจัดการความซึ้งจัดการความง่วงเหงาเหานอน จริงๆมันก็เป็นแค่ขันใช่ไหมถ้าตามหลักเป็นจริงก็คือว่ามันเกิดเพราะเหตุพอหมดเหตุมันดับไหมดับจะต้องไปจัดการมันไหมไม่ได้จัดการอะไรมันแต่เราสงสัยมันอยู่เรื่อยนี่เห็นไหมพระองค์ก็เลยถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นขันทั้งห้าใช่หรือไม่ภิกษุก็บอกว่าใช่แล้วความเคลือบแคลงสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงในใจว่า อันนี้มันมีอาหารเกิดมีเหตุปัจจัยจึงเกิดใช่หรือไม่ก็บอกว่าใช่แล้วถูกแล้วแต่เรานี่มันรู้สึกมีกำลังภายในมีกรรมเก่ามีเจ้ากรรมนายเวรมีอะไรต่างๆแหมรู้สึกเยอะเหลือเกินแล้วก็ความสงสัยย่อมเกิดขึ้นเพราะความเครือบแคลงว่าขันห้านี้นะ่ะที่มันเกิดขึ้นเมื่อมันหมดเหตุแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมดาใช่หรือเปล่า พอเราไม่ยอมรับไม่หมดความสงสัยในข้อเท็่จริงอันนี้ไม่มีปัญญาเห็นอันนี้ความสงสัยก็เกิดอยู่เรื่อยเห็นไหมเราต้องทั้งหลายสงสัยไหมสงสัยอยู่เรื่อยแล้วก็มีกําลังภายในว่าจะทําอะไรกับมันดีจะแก้ยังไงดีะจะทํำยังไงดีให้มันสงบให้มันเลิกฟุ้งซ่านนี่เราชอบทําอย่างนี้แต่จริงๆความฟุ้งซ่านเป็นขันใช่หรือไม่เราลืมไปแล้วว่ามันเป็นขันนะเราจะจัดการมันคิดว่ามันเป็นตัวตนไปแล้วลืมไปแล้ว มันเกิดเพราะเหตุปัจจัยใช่ไหมเราลืมไปแล้วว่ามันเกิดเพราะเหตุปัจจัยลืมไปแล้วว่าพอหมดเหตุแล้วมันจะดับจะจัดการมันแล้ววนเวียนไปเห็นไหมความสงสัยเนี่ยมันเกิดเพราะไม่รู้อันนี้นั่นแหละนะต่อไปความสงสัยจะหมดไปได้ยังไงพระองค์ก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าภูตะมิดันติพิฆเวยถาภูตังสำมพัญญะาาปัสโตดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าอ้ออันนี้คือขันห้ายาวิจิกิจฉาสาปหิยติความสงสัยอั น, อนใดที่เคยมีความสงสัยนั้นก็จะถูกละไปใช่ไหมพิสูจทั้งหลายก็บอกว่าเอวังพันเตอย่างนั้นพระเจ้าค่าเนี่ยเมื่อใดที่บุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าอ้ออันนี้มันขันเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ความสงสัยที่เคยมี ก็จะถูกละไปเนี่เมื่อรู้ความสงสัยจะถูกละไม่ใช่ไปหาวิธีทําให้มันหมดสงสัยนะเมื่อรู้เนี่ยมันจะถูกละไปโดยอัตโนมัติทีเดียวนี่พระองค์ตรัสถามภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าอ๋อนี่ขันนี่เองมันเกิดขึ้นไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลนะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีหญิงไม่มีชายเกิดเป็นขันมันเกิดเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณมันเกิดความสงสัยอันใดที่เคยมีความสงสัยนั้นก็จะถูกละไปเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพิกษุต้องบอกว่าเอวังพันเตนะต่อไปตาดาหาระสัมพวันติพิกเวยถาภูตังสัมมปัญญยะปัสโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันธ์ทั้งห้านั้น มีอาหารจึงเกิดขึ้นยาวิจิกิจฉาความสงสัยอันใดที่เคยมีสาประหิยติความสงสัยนั้นก็จะถูกละไปใช่ไหมเอวังพันเตอย่างนั้นพระเจ้าค่าเนี่ยเมื่อรู้ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนะว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีเหตุปัจจัยจึงเกิดความสงสัยที่เคยมีเป็นไงก็จะถูกละไปเนีย ต่อไปตดาหาระนิโรธายังภูตังตังนิโรธธรรมมันติภิก เ, เวยยถาภูตังสั ม, มปัญญายะปัสโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันธ์ทั้งห้าอันนั้นเพราะการดับไปของอาหารขันธ์ห้านั้นก็มีการดับไปเป็นธรรมดายาวิจิกิจฉาความสงสัยอันใดที่เคยมี สาประยติความสงสัยอันนั้นก็จะถูกละได้ใช่ไหมเอวังปันเตอย่างนั้นพระเจ้าค่าเห็นไหมเนี่ยมีแต่ขันนะแล้วขันนั้นมันเกิดขึ้นตามเหตุและหมดไปเมื่อหมดเหตุความสงสัยเกิดขึ้นก็สงสัยเรื่องขันนี่แหละสงสัยเรื่องมันมาจากเหตุจริงหรือเปล่าสงสัยว่ามันหมดไปเพราะหมดเหตุจริงหรือเปล่ามันจึงมีตัวมีตนวนเวียนอยู่ เราจะทํานั่นทนํานี่เอานน่นเอา น, ύ, นีน่แก่นู้นแก้นี่วนเวียนอยู่เรื่อยๆเห็นไหมแต่จริงๆมันเกิดเพราะมันมีเหตุหมดไปเมื่อหมดเหตุเท่านั้นเองเราจะแก้สิ่งที่มันเกิดใช่ไหมโอ้ตายอย่างนี้ตายมันสงสัยเรื่องขันนะแต่จริงๆเราไม่ได้แก้สิ่งที่มันเกิดมันเกิดแล้วสักหน่อยมันจะดับไปเองถ้าเราจะป้องกันก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดอีกเท่านั้นเองไม่ได้แก้สิ่งที่เกิดนะสิ่งที่เกิดมันมีเหตุแล้วไง สิ่งที่เกิดนี้มันมีเหตุมีปัจจัยพร้อมแล้วแล้วมันจะดับไปเมื่อหมดเหตุเห็นไหมถ้าเราจะแก้เราแก้ไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกถ้านั้นมันเป็นความทุกข์เป็นความเครียดเราไม่ได้โอเครียดแล้วเราจะแกลเครียดไม่ใช่งั้นแสดงว่าเราสงสัยเรื่องขันแล้วความเครียดก็เป็นขันมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมันหมดไปเพราะหมดเหตุเราก็ฝึกฝนตนเองว่าต่อไปทํำยังไงไม่ให้เกิดความเครียดอันนี้อีกแต่ถ้ากันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นขัน มันเกิดเพราะมีเหตุหมดไปเพราะหมดเหตุเห็นไหมนี่ทุกเรื่องก็เป็นอย่างนี้หมดนะความคิดไม่ดีเจตนาไม่ดีจนกระทั่งถึงการทำทุจริตอะไรต่างๆนี่เราไม่ได้เป็นละอะไรตอนนั้นหรอกนะอันไหนที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุสักหน่อยมันก็จะดับไปเมื่อหมดเหตุเราฝึกฝนเพื่อป้องกันอันใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นถ้าไม่อยากให้มันเกิด อย่างนี้นะทุกทั้งหลายก็เหมือนกันเราก็ฝึกฝนเพื่อที่จะไม่ให้อันใหม่มันเกิดขึ้นส่วนอันเก่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดเองมันก็ดับเองพอเข้าใจไหมพอมันไม่มีความอยากไม่มีความต้องการไม่มีตัณหาทุกมันเกิดเองมันก็ดับเองมันก็ไม่มีอะไรแต่เรานี้ทุกมันเกิดขึ้นมาเองตามเหตุและมันจะดับเองไปตามเหตุเราไม่รู้ข้อเท้จริงอันนี้พอไม่รู้ข้อแท้จริงอันนี้ ก็เกิดตันหานั่นเห็นไม้มเนี่ยนี่มันมาตรงนี้วนเวียนกันไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดสักทีหนึ่งนะครับแต่ถ้ารู้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นขันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุดับไปเพราะหมดเหตุไม่เกิดตันหาเป็นไงมันก็จบกันไปแล้วเท่านี้เองนะครับพระองค์จึงถามว่าความสงสัยอะไรต่างๆวิธีการอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะสงสัยในเรื่องขันนี้ สงสัยในเรื่องเหตุเกิดแล้วก็สงสัยในเรื่องความดับไปนี่แหละนะครับภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่าทีนี้ก็ถามอีกว่าเมื่อเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงความสงสัยที่เคยมีก็จะถูกละไปใช่หรือไม่ภิกษุก็ตอบว่าใช่นะครับแต่หน้าที่ของเราทั้งหลายนะคือฝึกฝนให้รู้จักมันตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นขันมันเกิดขึ้น เมื่อมีเหตุดับไปเมื่อหมดเหตุเท่านี้เองนะพอรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เห็นด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้นะด้วยวิปัสสนาด้วยมรรคอะไรก็ว่าไปนะความสงสัยที่เคยมีความยึดถือที่เคยมีหมดไหมก็หมดไปเท่านั้นแหละนะครับต่อไปพระองค์ก็จะถามภิกษุทั้งหลายต่อไปถึงเรื่องความรู้ของภิกษุทั้งหลายนะภูตมิดันติภิกเวอิติปิโวเอตะ นิพพิจิกิจชาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายได้หมดความสงสัยในเรื่องนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นขันใช่ไหมภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าเอวังพันเตอย่างนั้นพระเจ้าค่านี่ก็หมายความว่าภิกษุทั้งหลายนี้ท่านได้มีปัญญาเห็นชอบตามที่เป็นจริงแล้วท่านก็หมดความสงสัยพระองค์ก็ถามว่าเธอหมดความสงสัยแล้วใช่ไหมว่าอันไหนที่มันเกิดขึ้นในล้วนแต่เป็นขัน เราหมดความสงสัยหรือยังโอ้นะยังเป็นแท่งๆเป็นก้อนๆอยู่เลยนะอันนี้พระองค์ถามภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นนะส่วนเราเห็นไม่เห็นก็ว่ากันไปแหละก็เรียนไปตาดาหารสัมพวันติภิกเเวอิติปิโวเอธะนิพพิจิกิจชาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายได้หมดความสงสัยในเรื่องนั้นว่าขันธ์ทั้งห้านั้นเกิดขึ้นเพราะอาหาร ใช่ไหมเอวังพันเตอย่างนั้นพระเจ้าค่าตาตดาหารนิโรธายังภูตังตังนิโรธธรรมมันติภิกเวอิติปิโวเอทะนิพิจิกิจฉาดูก่อนพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายได้หมดความสงสัยในเรื่องนั้นว่าขันธ์ทั้งห้าที่เกิดขึ้นแล้วนั้นเพราะการดับไปของอาหารเพราะการดับไปของปัจจัยมดเหตุหมดปัจจัย ขันห้านั้นก็จะดับไปเป็นธรรมดาใช่ไหมภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเอวังพันเตอย่างนั้นพระเจ้าค่าเรื่องหลกัหลกๆก็มีอยู่แค่3เรื่องตอนนั้นเองก็คือเรื่องขันได้รู้จักมันไหมเนี่ยขันมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยมันเกิดเมื่อมีเหตุจะดับไปเมื่อหมดเหตุมีเท่านี้เองนะถ้ายังไม่รู้ก็สงสัยถ้ารู้ตามความเป็นจริงความสงสัยก็สิ้นไป แล้วพระองค์ก็ถามว่าพวกเธอสิ้นความสงสัยในเรื่องนี้แล้วใช่ไหมภิกษุก็บอกว่าสิ้นความสงสัยแล้วต่อไปพระองค์ก็ถามว่าเห็นชัดเจนดีแล้วใช่ไหมเรื่องนี้ภูตามิดันติพิคเวยถาภูตังสัมมัปปัญญายสุ ด, ดิถังดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นขันธ์ที่เกิดขึ้นใช่หรือไม่ ภิกษุก็ตอบว่าเอวังพันเตอย่างนั้นพระเจ้าค้าสุดิษฐังแปล ว, ว่าเห็นดีแล้วเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงเห็นด้วยปัญญานะเห็นด้วยญาณพระองค์ถามภิกษุทั้งหลายว่าเห็นแจ่มแจ้งดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นขันใช่ไหม ภิกษุก็ตอบว่าเอวังพันเตอย่างนั้นพระเจ้าค่าแต่ดาหารสัมพวันติพิขเวยถาภูตังสัมมปัญญายะสุดิังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายได้เห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันทั้งห้าที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารใช่ไหมเอวังพันเตอย่างนั้นพระเจ้าค่า ตตดาหารนิโรธายังภูตังตังนิโรธธรรมมันติพิกเวยะถาภูตังสัมมปัญญายสุดิทังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายได้เห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันธ์ทั้งห้าที่เกิดขึ้นแล้วนั้นเพราะการดับไปของปัจจัยขันธ์ห้านั้นก็มีการดับไปเป็นธรรมดาใช่ไหมเอวังพันเตอย่างนั้นพระเจ้าค่า ภิกษุทั้งหลายนี้ท่านสิ้นความสงสัยท่านเห็นอย่างแจ่มชัดดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนะถ้าอยากจะสิ้นความสงสัยอยากจะหมดเรื่องหมดราวไปนะก็ต้องเห็นด้วยปัญญาอันชอบนะเห็นต้องเห็นมันรู้จักมันตามที่เป็นจริงนะยะถาภูตังคือตามที่เป็นจริงความเป็นจริงของมันคือมันเป็นขันนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้ ง, งมันเกิด เพราะมีปัจจัยมีเหตุมันเกิดเมื่อมีเหตุและจะหมดไปเมื่อหมดเหตุเนี่ยความจริงของมันเป็นอย่างนี้นะนะไม่มีอันไหนเป็นตัวเป็นตนที่ยงแท้อยู่ได้นานนะความรู้สึกว่ามีเราก็ดีก็เป็นของเป็นครังๆเท่านั้นเองนะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุพอหมดเหตุ ด, ดับไหมหมดเหตุก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้หมดนะนี่พระองค์ก็ถามภิกษุ ว่าสิ้นความสงสัยแล้วใช่ไหมพิสูุน์ก็บอกว่าใช่แล้วสิ้นความสงสัยแล้วเห็นดีแล้วใช่ไหมเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบแล้วภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าใช่แล้วพระองค์ก็ตรัสยิ่งขึ้นไปอีกว่าแม้ไปยึดถือปัญญาหรือว่าไปยึดถือความเห็นอันถูกต้องนั้นก็ไม่สามารถที่จะพ้นไปได้อีกเหมือนกันนี่หนักขึ้นไปกว่านั้นอีกนะนะนี่เห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบ ถ้าไปยึดหรือว่าเพลิดเพลินว่าเราเห็นดีแล้วหรือว่าอยากได้อยากเห็นอยากมีอย่างนั้นอยากมีปัญญาอย่างนั้นก็ไม่อาจจะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะครับช่างคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเข้าใจดีๆนะพระองค์สอนให้มีปัญญาแต่ถ้าเราอยากได้ปัญญาอันนี้ก็ชื่อว่าไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้มีศีลให้มีสมาธิ แต่เราอยากได้ศีลอยากได้สมาธิอันนี้ก็ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าไม่เข้าใจนะพระองค์สอนให้เห็นความจริงแต่เราอยากเห็นจริงเหลือเกินอันนี้ก็ชื่อว่าไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเหนือชั้นนะเหนือชั้นมากพระองค์สอนให้รู้ความจริงแล้วจะได้สิ้นตัณหาไม่ใช่สอนให้ว่านี่ให้รู้ความจริงนะเราจะได้อยากไปเห็นความจริงไม่ใช่งี้นะคนละอ่านกันนะฝึกฝน ให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็เป็นแผลข้ามเท่านั้นเองอย่างนี้นะฝึกฝนให้เกิดปัญญาก็เฉพาะตอนที่ยังไม่มีปัญญาฝึกฝนให้เห็นมันให้รู้จริงก็ตอนที่ยังไม่เห็นจริงพอเห็นจริงแล้วก็ไม่จําเป็นอย่างนี้นี้พระองค์ถามถึงภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบใช่ไหมภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเอวังพันเตอย่างนั้นพระเจ้าข้า พระองค์ตรัสต่อไปว่าอิมันเจตุมเหหิพิกเวดิถิงเอวังปริสุทธิังเอวังปริโยตาตังอันลีเยทะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าเธอทั้งหลายพึงติดข้องกับทิฏฐิอันนี้ที่มีความบริสุทธิ์อย่างนี้ที่มีความผุดผ่องอย่างนี้นะคือติดข้องกับปัญญานี่นะคือมีปัญญาเห็น ถูกต้องเห็นชอบตามความเป็นจริงถ้าเธอทั้งหลายพึงติดข้องอันลีเยถะแปลว่าพึงติดข้องนิถิงก็คือทิฏฐิหรือว่าปัญญาอันนี้ที่เห็นโดยถูกต้องที่พระองค์ถามมาตามลำดับนี่แหละเอวังปริสุดทางอันบริสุท์อย่างนี้เอวังปริโยดาตางังอันผุดผ่องอย่างนี้เกลาเยถะพึงเพลิดเพลินปัญญาอันนี้ ทนาเยทะพึงอยากได้มะมาเยทะพึงยึดถือว่าเป็นของเราปัญญาของเราอปินุเมตุมเหภิกวเวกันลูปมังรรมังเดสิตังอาชาเนยาทธะดูก่อนพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบประดุดด้วยแพรอันเราตถาคตแสดงแล้ว นิทรณัตถายะเพื่อการสลัดออกโนฆานัตถายะไม่ใช่เพื่อการยึดถือบ้างหรือไม่นี่แม้แต่ปัญญานี่นะพระ อ, องค์ก็ถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอเห็นแจมแจ้งด้วยปัญญาอชอบแล้วใช่ไหมภิกษุก็บอกว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะถ้ายัางยึดถือปัญญาที่เห็นแจ้งนิ้วอยู่อีกนะเห็นเห็นเรียบร้อยแล้ว ก็ติดข้องเพลิดเพลินอยากได้ยึดถือว่าเป็นของเราปัญญานี้บริสุทธ์ผุดพองอย่างนี้ก็ชื่อว่ายัางไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่พระองค์แสดงที่เป็นกันรูปรธรรมคือธรรมะประดุดด้วยแพรเปรียบด้วยแพรนิรทรนัตถายะเพื่อการสลัดออกโนฆานัตถายะไม่ใช่เพื่อยึดถือนะแพรนี้จาเป็นเฉพาะ ตอนที่ยังข้ามไม่ได้เท่านั้นเองพอข้ามได้แล้วแพรจําเป็นไหมแพรก็ไม่จําเป็นไม่จําเป็นสําหรับเรานะก็จําเป็นสําหรับคนอื่นก็บอกสอนคนอื่นได้แต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อยึดถืออะไรนี่นะศีลจําเป็นไหมจําเป็นจําเป็นเพื่อให้เกิดสมาธิสมาธิจําเป็นไหมจําเป็นเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาความเห็นแจ้งจําเป็นไหมจําเป็นเมื่อยังไม่เห็นพอเห็นแล้วก็หมดไป หมดความจําเป็นนี่เรียกว่าธรรมะเปรียบประดุดด้วยแพเป็นแพรข้ามนะครับไม่ใช่ไปนอนอยู่บนแพรสบายใจเฉิบอยู่งั้นไม่ใช่นะพอมีศีลมีสมาธิแล้วแหมเป็นนอนอยู่บนแพรแล้วนะสะพานเขาเอามีเอาไว้ข้ามแม่น้ำใช่ไหมบางคนไปกางเต็นท์อยู่บนสะพานแล้วแหมผมมีปัญญาพอสมควรแล้วสบายใจเฉิบ ยึดติดขอ้องเพลิดเพลิน อ, อยากได้ยึดถือว่าปัญญาของเรานะแต่ปัญญามันเที่ยงไหมปัญญามันก็ไม่เที่ยงก็เป็นขันมันเกิดเพราะเหตุหมดไปเมื่อหมดเหตุเหมือนกันหมดทุกอันเหมือนกันหมดนะฉะนั้นต้องเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีๆนะพระองค์สอนให้เราฝึกฝนให้เกิดศีลสมาธิปัญญาพูดง่ายๆก็ให้ฝึกฝนธรรมะ ฝ, ฝ่ายดีนั่นแหละ แต่เป็นประดุดแพรกุลูปะมังธรรมะกุลูปะมะธรรมธรรมะที่เปรียบประดุดแพรพาข้ามไปฝั่งโน้นเฉยๆนะถ้าไปติดขอ้องเพลิดเพลิอนอยากได้ยึดถือว่าของเราฝ่ายเรานี้ชื่อว่าไม่เข้าใจอย่างทั่วถึงซึ่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้พระองค์แสดงเพื่อการสลัดออกไม่ใช่แสดงเพื่อการยึดถือ เนี่ยเหมือนเราทั้งหลายทั่วไปเนี่ยนะแต่เดิมไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็ไม่มีเรื่องให้ยึดมากนักนะมีเรื่องให้ยึดสิบเรื่องพอมีพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ยึดเป็นสิออย่างนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยโอ้อย่างนี้ห่างไกลความจเจริญ น, นะพระพุทธองค์นี้แสดงไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือแต่เพื่อให้สลัดออกนะเห็นไหมมันต้องฟังดีๆนะครับ นีพระองค์ก็ถามมาเรื่อยๆนะถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพึงติดข้องเพลิดเพลินอยากได้ยึดถือว่าเป็นของเราซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงเปรียบประดุดแพรที่เป็นไปเพื่อการสลัดออกไม่ใช่เป็นไปเพื่อวความยึดถือบ้างหรือไม่ ภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าโนให้ต no ังพันเตข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพระองค์ก็สรุปว่าอิม um e e ันเจตุมเหหิพิกเวดิถิงเอวังปริสุทธังเอวังปริโยดาตังนอันลีเยทะนเกลาเยทะนตนาเยทะนมะมาเยทะดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายถ้าหากว่าเธอทั้งหลายไม่ติดข้อง ไม่เพลิดเพลินไม่อยากได้ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์อย่างนี้อันผุดผ่องอย่างนี้อันนี้แหละอปินุเมตุมเหภิกเวกคุลูประมังธรรมังเดสิตังอาชาเนย า, น, า, า, ย น, านิทรนัตถายะโนฆานัตถายะเธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราตถาคตแสดงแล้ว เป็นธรรมะเปรียบประดุดด้วยแพรเป็นไปเพื่อการสลัดออกไม่ใช่เป็นไปเพื่อยึดถือบ้างหรือไม่เอวังพันเตอย่างนั้นพระเจ้าค่าแม้แต่ปัญญาความรู้ก็ยึดถือเอาไว้ไม่ได้ติดข้องไม่ได้จะไปอยากได้ว่าเป็นของเราฝ่ายเราอย่างนี้ก็ไม่ได้นะปัญญาก็เป็นขันเป็นของกลางๆางที่เกิดเมื่อมีเหตุเหมือนเหมือนกับอันอื่นนั่นแหละอย่างนี้นะ ฉะนั้นการมารับถือพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่เรื่องว่าพระพุทธเจ้าของเราพุทธศาสนาของเราไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่มายึดถือเพิ่มแต่เป็นไปเพื่อการสลัดออกแต่เดิมเรายึดถือว่าโอ้เราเป็นคนประเทศนี้เราอย่างนั้นอย่างนี้ยึดถือว่าเรานั่นเรานี่เป็นโน่นเป็นนี่ไม่ใช่มีพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาแล้วมาเพิ่มตัวตนให้ยึดถือขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่า แต่เดิมเรามีตัวมีตนหลายๆตัวยึดถือเอาไว้เยอะเราก็มาสลัดออกให้ใจมันกว้างขึ้นให้จะได้มีความเห็นอกเห็นใจเมตตาคนอื่นได้มากขึ้นเห็นความเป็นเพื่อนเป็นมิตรหรือว่าเห็นความเป็นครอบครัวเดียวกันของคนทั้งโลกได้มากขึ้นเห็นความอิงอาศัยกันและกันได้มากขึ้นไม่ใช่อ้าวยิ่งศึกษามากมีที่ยึดมากใจก็แคบลงแคบลงแคบล ง, บลงมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนั้นนะ เป็นไปเพื่อความยึดถือและไม่ใช่เป็นไปเพื่อการสลัดออกหรือว่าเอาออกแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงประดุดแพคือว่าเป็นเครื่องข้ามไปเป็นไปเพื่อสลัดออกไม่ใช่เพื่อยึดถือนะครับฉะน้เวลาเราเรียนธรรมะก็ต้องดูตรงนี้เป็นหลักเหมือนกันนะว่าเรียนไปแล้วมันยึดถือเพิ่มหรือว่ามันเอาออกได้ถ้าเอาออกได้ก็ใช้ได้แต่เดิมเรามีที่ยึดเยอะอยู่แล้วนะก็ไปดูหน่อยว่า มันใจกว้างขึ้นเห็นใจคนอื่นมากขึ้นหรือว่าเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนเป็นมิตรมากขึ้นหรือเปล่าเราไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกคนหรอกแต่ว่าเห็นเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไหมเห็นเขาเป็นมนุษย์ไหมเห็นเขาเป็นไปตามกรรมหรือว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไหมไม่ใช่แหมอันนี้มันเลวมนุษย์มันอย่างนู่นอย่างนี้แคบลงเรื่อยๆอย่างนี้มันไม่ได้นะอันนี้นะครับ พระองค์ก็แสดงเรื่องของขันทั้งห้าที่มันเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ถามภิกษุทั้งหลายทีนี้ด้วยความที่พระองค์มีปัญญามากนะพระองค์ก็แสดงแม้กระทั่งเหตุปัจจัยของขันห้าอีกขันห้านี้เกิดเพราะเหตุปัจจัยนะแล้วก็เหตุปัจจัยของเหตุปัจจัยของขันห้าก็ส่งแสดงรู้ทั่วถึงไปหมดนะว่าไปแล้วก็ที่สุด เบื้องต้นและเบื้องปลายหรือว่าจุดจบของเทศนานี้มันไม่มีหรอกเราทั้งหลายก็เอาตามสมควรก็แล้วกันนะไปคิดมากก็มึนนะเหมือนกับอ้าวคนที่รู้จักตัวเราดีนี้ก็ต้องรู้จักแม่เราด้วยใช่ไหมถ้าจะบอกว่ารู้ดีกว่านั้นก็ต้องบอกว่ารู้จักแม่ของแม่เราด้วยรู้จักแม่ของแม่ของแม่เราด้วยรู้จักแม่ของแม่ของแม่ของแม่โอ้สแสดงว่ารู้จักเราดีมากเลยคนนี้ ก็แสดงให้เห็นว่าโอ้รู้ว่าไม่มีเราจริงๆแล้วมันเป็นสืบเชื้อสายหรือว่าเกิดดับเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องกันมามาจากความเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะขันทั้งห้าที่มันเกิดนี่มันก็ไม่ได้มาลอยๆมันเกิดเพราะอาหารเกิดเพราะปัจจัยหมดไปเมื่อหมดทีดพระองค์แสดงเรื่องขันทั้ง5ที่เกิดเพราะปัจจัยแสดงปัจจัยที่ทําให้เกิดขันห้า แล้วก็แสดงเรื่องของปัจจัยที่ทําให้เกิดปัดจจัยของขันห้าแสดงเรื่องของปัจจัยที่ทําให้เกิดปัจจัยที่ทําให้เกิดปัจจัยแสดงเรื่องของปัจจัยที่ทําให้เกิดปัจจัยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฉะนั้นเรารู้แค่ที่ใดที่หนึ่งหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งที่ถอนความเห็นผิดถอนความยึดมั่นถือมั่นเลิกสงสัยในขันทั้งห้านี้เลิกสงสัยได้ก็ใช้ได้แล้วเห็นด้วยปัญญาชอบว่านี่มันขันห้านะ นี่มันเกิดเพราะอาหารเกิดเพราะเหตุนะหมดไปเมื่อหมดเหตุนะอันนี้ก็พอแล้วนะอย่างนี้นะครับทุกๆเรื่องนะถ้าเราไปหาเหตุปัจจัยต้นเขานี่มันหาไม่ได้หาไม่มีเหมือนกับไฟนี่อ้ามันมาจากไหนนี่เราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะทั้งหน่อยก็ไปเจอเขื่อนแล้วไล่ไปเรื่อยนะไล่หลายปัจจัยมากกว่าจะเจอเขื่อนนะนะมาจากหลอดนี่กระแสโน่นกระแสนี่สายไฟปลัก๊กสวิตไล่ไปเรื่อยนะ สักหน่อยไปเจอเขื่อนพอเจอเขื่อนแล้วก็เจอแม่น้ําเข้าไปเจอปลากุ้งหอยก็เกี่ยวข้องไปหมดอ่ะนะอันนี้ถ้าขนาดนี้มันก็จะเป็นบ้าไปเอาแค่เห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วก็เลิกยึดถือเลิกสงสัยก็พอแล้วนะครับอย่างนี้นะต่อไปพระ อ, องค์ก็จะแสดงปัจจัยแห่งขันทั้ง5้าต่อมาอีกขันทั้ง5้าเกิดเพราะปัจจัย และปัจจัยที่ทําให้เกิดข Miss ันห้าก็มีปัจจัยมาอีกนะปัจจัยที่เป็นปัจจัยของข Miss ันห้าก็มีปัจจัยมาอีกฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่มีตัวตนหมดเวลาเราพูดถึงขันทั้งห้าแสดงถึงความไม่มีตัวไม่มี ต, ตนก็ต้อง แ, แสดงให้มันถูกต้องไม่ใช่บอกว่าแอนขันทั้งห้านี่ไม่มีตัวตนเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณก็ Yale. ดันไ ป, ไ ป, นไป endar, ยึดรูปอีกไป meaning. ยึดเวทนาว่าเป็นตัวตนยึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณว่าเป็นตัวตนอีกอย่างนี้ก็ ชื่อว่าเข้าใจขันห้ายังไม่ถูกต้องนะเหมือนกับเราบอกว่าอ้าวรถนี่มันเกิดจากส่วนประกอบนะไม่มีรถจริงๆหรอกเอาล้อออกไปเอาตัวถังออกไปเอาประตูหน้าต่างรถออกไปเอากระจกออกไปเอาเครื่องยนต์ออกไปก็แหลกสลายไม่มีรถแล้วแต่ว่าก็ยังมีล้ออยู่ยังมีตัวถังรถอยู่ยังมีเครื่องยนต์อยู่ยังมีประตูอยู่อย่างนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ไม่มีรถก็จริงแต่ดันมีล้อแต่ล้อมันก็ไม่มีเหมือนกัน ล้อมันก็มาจากเหตุเหมือนกันมาจากยางยางก็มาจากเหตุเหมือนกันไม่มียางเหมือนกันอย่างนี้จึงจะเป็นการเข้าใจที่ถูกต้องนะครับบางคนเขาไม่เข้าใจนะไปเรียนขันห้ามาแล้วแหมเข้าใจแล้วฉันเนี่ยอนัตตาเขาก็ยึดอนัตตาเลยตายแล้วอย่างนี้นะแม้แต่ก่อนมีตัวตนตอนนี้ฉันไม่มีตัวตนแล้วดันไปยึดไม่มีตัวตนไปซะ อ, อีกนี่มันก็เป็นซะอย่างนี้แต่ก่อนมันผิด แหมนี้ไม่ดีฉันถูกแล้วไปยึดถูกยึดถูกมันก็ผิดอีกเหมือนเดิมแหละอย่างนี้นะเหมือนกับเรียนว่าไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ขันทั้งห้าก็ไปยึดว่ามันมีขันห้าแล้วมันถูกไหมไปยึดว่ามันมีขันห้าเนี่ยมันก็ไม่ถูกแล้วเห็นไหมก็ยึดรูปเป็นตัวตนไปอีกยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณแต่เดิมยึดทั้งตัวว่าเป็นตัวเราพอไปรู้ว่ามันประกอบด้วยขันห้าก็ยึดส่วนประกอบย่อยๆว่าเป็นตัวเราอีก นี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะจากนั้นต้องเข้าใจดีๆนะครับนี้พระองค์แสดงเรื่องขันทั้งห้าขันทั้งห้านั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะปัจจัยและหมดไปเมื่อหมดเหตุได้ตรัสถามภิกษุให้เกิดความเข้าใจจนกระทั่งถามเรื่องของปัญญาที่เห็นแจ้งว่าแม้กระทั่งปัญญาที่เห็นแจ้งนั้น ก็ไปติดข้องเพลิดเพลินอยากได้หรือว่าไปยึดถือว่าเป็นของเราเอาไว้ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าไปยึดถืออยากได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่พระองค์แสดงเปรียบประดุจด้วยแพรได้ธรรมะแสดงเพื่อการสลัดออกไม่ใช่เพื่อยึดถือนะครับทีนี้พระองค์ก็แสดงให้ยิ่งขึ้นไปอีกในบาลีข้อ402ขันห้าเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยแสดงไปแล้ว ต่อไปก็แสดงปัจจัยของขันห้าอีกชั้นหนึ่งนะครับแสดงปัจจัยของปัจจัยแล้วก็จะแสดงปัจจัยของปัจจัยของปัจจัยหลายๆชั้นซึ่งเราทั้งหลายนี้สามารถเข้าใจตรงไหนได้ก็เข้าใจตรงนั้นให้ฝึกฝนแล้วก็ละความเห็นผิดละความยึดมัน่นถือมั่นไม่ต้องรู้ทั้งหมดก็ได้นะอย่างนี้ต่อไปบาลีข้อ4ี นะครับอ่านพร้อมกันนะจัตตารเมพิกเวอาหาราภูตานังวาสัตตานังทิตยาสัมภเวสีนางวาอนุขหายะกะตเมจัตตารโรกาพลิงกาโรอาหาโราโอลาริโกวาสุคุโมวา ภัทโสทุทิโยมะโนสัญเจตนาตติยาวิญญาณังจตุถังอิเมจะพิกเวจัตตารโออาหารากิงนิดานากิงสมุทยากิงชาติกากิงปะพวาอิเมจัตตารโออาหารา ตัณหานิ d านาตัณหาสมุทยาตัณหาชาติกาตัณหาปภพาวาตัณหาจายังพิกเวาากาวาิง น, น, นิดานากิงสมุทยากิงชาติกากิงปภพวาตัณหาเวทนานิ d านาเวทนาสมุทยา เวชนาชาติกาเวธนาปปภาวเวธนาจายังพิกขเวกิงนิดานากิงสมุทยากิงชาติกากิงปปภาวเวธนาผัสสนิดานาผัสสมุทยาผัสชาติกาผัสปปภาว ผัดโสจายังพิกเวกิงนิดาโนกิงสมุทโยกิงชาติโกกิงปะพโวผัดโสสลายตนะนิดาโนสลายตนะสมุทโยสลายตนะชาติโกสลายตนะปะพโวสลายตนะนจิดังพิกเว กิงนิดานังกิงสมุทยังกิงชาติกังกิงปะพะวังสลายตัณนังนามรูปะนิดานังนามรูปะสมุทยังนามรูปะชาติกังนามรูปะปะพะวังนามรูปัญจดังพิกเว กิงสมุทยังกิงชาติกังกิงปะพวังนามรูปังวิญญาณนิดานังวิญญาณสมุทยังวิญญาณชาติกังวิญญาณปะพะวังวิญญาณจิดังปิโคเวกิงนิดานังกิงสมุทยังกิงปะติกัง กิงปะพะวังวิญญาณาังสังขารานิดานางังสังขารสมุทยังสังขารชาติกังสังขาระปะพะวังสังขาราจิเมภิขเวกิงนิดานากิงสมุทยากิงชาติกากิงปภวาสังขารา อวิชานิดานาอวิชาสมุทยาอวิชชาติิกาอวิชาปภวาอิติโขพิคเวอวิชาปัจจญาสังขาราสังขาระปัจจญาวิญญาณังวิญญาณปัจจญานามรูปังนามรูปะปัจจญาศลายตนะัง สลายตนะปัจจะยาผัสโสผัสสะปัจจะยาเวทนาเวทนาปัจจะยาตันหาตันหาปัจจะยาอุปาดานังอุปาดานปัจจะยาภาวภวะปัจจะยาชาติชาติปัจจะยาชรามรณงโสกะปริเดวะทุกขโทมณสุปายาสา สัมภวันติเอวเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติหลังจากแสดงเรื่องขันธ์ที่เราเรียกกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสมมุติว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนที่มันวนเวียนไปพบ น, ون, พบนู้นพบนี้อะไรต่างๆแท้ที่จริงก็เป็นเพียงขันธ์เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัย และเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดขันก็มีเหตุมีปัจจัยมาเรื่อยๆฉะนั้นว่าไปแล้วก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนนะครับเหมือนกับจะบอกว่าแขนของเราอันนี้นี่แขนของเราอย่างนี้มันเป็นตัวตนเที่ยงไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าแขนของเรานี้มันมาจากความเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆอาหารนู่นอาหารนี่ซากนั่นซากนี่ใส่เข้าไปไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะ มันก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะปัจจัยที่ทำให้มันเกิดก็ล้วนแต่เกิดจากปัจจัยมันก็เลยไม่มีตัวตนอันเที่ยงแท้ใดๆนะครับพระองค์ตรัสไว้ว่าจัตตาโรเมพิกเวอาหาราภูตานังวาสตานังทิติยาสัมภเวสีนางวาอนุขหายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารสี่ประการเหล่านี้ ย่อมมีเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วและเพื่อการอนุเคราะห์แก่พวกสัมภเวสีคือพวกสแสวงหาที่เกิดอีกต่อไปไปเรื่อยๆที่เราเรียกกันว่าสัตว์บุคคลตัวตนหญิงชายเด็กผู้ใหญ่คนชราอย่างนี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วนี่แท้ที่จริงเป็นส่วนประกอบของขันทั้ง5ที่มีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้น และเหตุปัจจัยเหล่านั้นก็ล้วนแต่มีเหตุปัจจัยมาหลา ย, ลายชั้นสัตว์จริงๆจึงไม่มีบุคคลจริงๆจึงไม่มีมีแต่กองทุกข์ล้วนๆหมายถึงปราศจากสัตว์บุคคลตัวตนท่านจึงบอกว่ากองทุกข์ล้วนๆนะคือเกวรสะทุกขขันธะสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นของกองทุกข์ทั้งมวลกองทุกข์ล้วนๆทั้งมวลกองทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละ ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอะไรจะไปจับยึดตรงไหนล่ะแขนเราที่เกิดขึ้นมันอาจจะมาจากซากเป็ดซากไก่จะมาบอกว่าไก่หรือเป็ดมาอยู่ตรงนี้เลยหรื อ, อยังไงมันมั่วไปหมดแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยปัจจัยที่ทําให้มันเกิดล้วนแต่มาจากปัจจัยปัจจัยต่อต่อสืบสืบกันมาล้วนแต่เป็นของไม่แน่ไม่นอนทั้งนั้นนะครับ นี้พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหาร4ี่ประการเหล่านี้ย่อมมีเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อการอนุเคราะห์แก่เหล่าสัมภเวสีที่สแสวงหาที่เกิดวนเวียนกันไปเรื่อยเพราะว่าที่เกิดวนเวียนไปเรื่อยๆนั้นมันก็กองทุกนั่นแหละในอบายก็กองทุกในมนุษย์ก็กองทุกในสวรรค์ในพรหมโลกก็กองทุกที่มันไปอย่างนั้น นะครับนีนะ่เป็นกล่องทุกข์ที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยของเหตุปัจจัยก็คืออาหารนะกตเมจัตารโอสประการคืออะไรบ้างอันที่หนึ่งกะพลิงกาโรอาหาโรโอลาริโกวาสุคุโมวาคืออาหารที่เป็นคำคำหยาบก็ดีละเอียดก็ดีอันนี้เป็นอาหาร ที่เราเกลืนกินเข้าไปเป็นาธาตุของโลกที่ใส่เข้าไปถ้าไม่มีาธาตุของโลกไม่มีอาหารชนิดนี้มาหลอดเลี้ยงหรือว่าไม่มีปัจจัยชนิดนี้ใส่เข้าไปร่างกายก็อยู่ไม่ได้พอร่างกายอยู่ไม่ได้กลุ่มนา ม, มาทำทั้งหลายก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนำพวกวิญญาณต่างๆก็ไม่สามารถที่จะอยู่ดำรงอยู่ได้ผัสโซทุติโยอันที่สองคือภัสสะ มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจกระทบกับโลกทำให้เกิดขันทั้งหลายวนเวียนขึ้นมาอีกมากมายนะมโนสัญเจตนาตดิยาเจตนาความจงใจที่จะทำเพื่อตัวเองที่เกิดขึ้นในใจนี้เป็นอันที่สามที่ทำให้เป็นหมู่สัตว์วนเวียนอยู่อย่างนี้ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่มีวนการวนเวียนไปนี่เขาวนเวียนไปตามกฎแห่งกรรม กฎแห่กรรมมันทําการได้เพราะว่าเขายังมีความเห็นผิดและยึดถือเป็นตัวตนแล้วเขาอยากจะทําเพื่อเขานะแต่ถ้าเมื่อใดเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีตัวไม่มีตน ม, ม, มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่ไม่นอนหมดเจตนาที่จะทําเพื่อตัวเองแล้วเขาก็ไม่ต้องวนเวียนอีกต่อไปเขาก็อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของกรรมไปอีกนะฉะนั้นกฎแห่งกรรมนี่จะบอกว่ามันใหญ่ก็ได้แต่ใหญ่สําหรับพวกไม่รู้เรื่องพวกที่ยังมีอวิชชาหุ้มหอ่อ มีตัณหาความอยากผูกพันเอาไว้ก็มีเจตนาจะทําเพื่อตัวเองให้ตัวเองได้นั่นตัวเองได้นี่อันนี้เขาเรียกมโนสันเจตนาเป็นกรรมนะอันนี้ก็หล่อเลี้ยงทําให้มีกองทุกวนเวียนไปได้เรื่อยๆที่มีสัตว์มีบุคคลหน้าตาแตกต่างกันไปนี่ก็เพราะอย่างนี้แหละนะครับเพราะกรรมมันแตกต่างนะกรรมก็จําแนกสัตว์ให้เลวและประณีตแตกต่างกันไปแล้วแต่เขา วิญญาณนงจตุถังก็มีวิญญาณไปอย่างลงนี้เป็นที่สเมื่อรับรู้อะไรแล้ววิญญาณก็ไม่หยุดอยู่เท่านั้นมันเกิดและดับไปเรียบร้อยแล้วก็ยังสนใจใส่ใจคล้ำครวนถึงวิญญาณไปอย่างลงก็เติบโตงอกงามอยู่นะไปมองเห็นสิ่งที่มองเห็นได้ทางตาก็ไม่หยุดเท่านั้นนะก็ยังไปชื่นชมของสวยงามไปเกลียดของไม่สวยไม่งามอันนี้ก็จะต้องวนเวียนอยู่กับโลกอีกนานทีเดียว ได้ฟังเสียงและเกิดโสตวิญญาณอาศัยหูกระทบกับเสียงเกิดการรับรู้ขึ้นโสตวิญญาณเกิดและดับเขาไม่หยุดอยู่เท่านั้นเขายังไปยังลงในเสียงนั้นอีกเสียงเพราะเสียงไม่เพราะเสียงน่าเอาไม่น่าเอาอย่างนี้ก็จะได้ฟังเสียงไปเรื่อยๆเวียนเกิดเวียนตายอีกยาวนานเป็นสัตว์เป็นบุคคลไปเรื่อยนี่วิญญาณมันยังลงนะเราทั้งหลายถ้าไม่รู้นะขาดสติขาดสัมปชัญญะไม่มีปัญญา ก็จะไปยั่งลงเรื่องโน้นเรื่องนี้ได้ทุกเรื่องนั่นแหละที่เราไปกระทบผัสสะเข้ากระทบตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันก็จะไปยั่งลงแล้วยืดเยื้อยาวนานไปเรื่อยๆนะเกิดอายตนะบ่อกเกิดของกองทุกขยายตัวยาวไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเห็นแล้วหยุดอยู่ไม่ยาวนะ เห็นแล้วก็ปล่อยไปได้ยินแล้วก็ปล่อยไปไม่ไปอย่างลงไม่ไปสนใจรับรู้อะไรก็ปล่อยไปมันก็ไม่ยาวก็จบกันอย่างนี้นะนี่ขันทั้งห้าก็มีอาหารมาเหมือนกันซึ่งมีอาหาร4ี่ประการนี้แหละกัพริงกาโรอาหาโรผัสโสทุติโยมโนสันเจตนาตติยาวิญญาณังจะตุถังอันนี้เป็นอาหารของขันทั้งหของกองทุกข์ที่มันวนเวียนอยู่ ทีนี้อาหารของอาหารนี่ก็มีเหมือนกันนะเป็นชั้นๆแล้วทีนี้ปัจจัยของปัจจัยอาหารสี่นี้เป็นปัจจัยทําให้เกิดขันห้าแล้วอะไรล่ะเป็นปัจจัยทําให้เกิดปัดจจัยนี้อะไรเป็นปัจจัยทําให้เกิดปัดจจัยของปัจจัยของปัจจัยก็จะไล่มาเรื่อยๆแหละทีนี้นะครับอิเมจะพิขเวจัตตาโรอาหารากิงนิดานากิงสมุทยากิงชาติกากิงปะพวา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารสี่ประการเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุเหตุเกิดมีอะไรเป็นต้นเหตุนิธานกิงนิดานามีอะไรเป็นต้นเหตุกิงสมุทยามีอะไรเป็นเหตุเกิดกิงชาติกามีอะไรทำให้เกิดกิงปภะวามีอะไรเป็นแดนเกิดก็คือเป็นปัจจัยนั่นแหละนะแต่ใช้คาต่างกัน มีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นปัปพวะมีอะไรเป็นต้นเหตุเป็นเหตุเกิดเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นแดนเกิดอเมจัตตารโออาหราตันหานิดานาตันหาสมุทยาตันหาชาติกาตันหาปัพะวาอาหารสี่ประการเหล่านี้มีตันหาเป็นต้นเหตุมีตันหาเป็นเหตุเกิด มีตัณหาเป็นสิ่งที่ทำให้มันเกิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดในอาหารสีประการนี้มีตัณหาเนี่เป็นเหตุให้เกิดขึ้นนะครับที่เรามีเจตนาจะทำนั่นจะทำนี่มีวิญญาณไปอย่างลงที่โน่นที่นี่วนเวียนไปเรื่อยๆนี้เพราะอะไรเพราะมันอยากนะไปอย่างลงตรงนั้นตรงนี้จนได้ขันมาวนเวียนนนะ เพราะอะไรเพราะมีอาหารอะไรเป็นปัจจัยของอาหารอีกตัณหาเพราะมันอยากนะมันอยากมันไม่ยอมหยุดนะมันรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้มันมีความหวังอยู่เราทั้งหลายยังมีหวังไหมแี่ชีวิตน่าจะดีขึ้นกว่านี้เนาะนะถ้าตอนนี้เมฆมันคลึมเมฆผ่านไปท้องฟ้าคงจะสดใสตอนนี้บ้านเมืองอึมครึมพอหมดอุมคลึมไปแล้วถ้าจะดีขึ้นโอ้อยางนี้ตาย หวังไปเถอะนะก็วนเวียนไปเรื่อยๆแหละนะครับนี่อาหารของอาหารปัจจัยของปัจจัยมันไปเรื่อยๆมันไม่หยุดเนี่ยนี่เห็นไหมในเมื่อมันไม่หยุดอะไรทําให้มันไม่หยุดมันก็ตัณหามันอยากได้ตัณหาก็ไม่ได้มีตัวมีตนเหมือนกันนะอะไรล่ะเป็นต้นเหตุเป็นเหตุเกิดเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นแดนเกิดของตัณหาท่านก็ถามต่อมา ตัณหาจายังพิกเวกิงนิดานางังกิงสมุทยากิงชาติกากิงปภพวาตัณหาเวทนานิดานาตัณหานั้นมีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นสมุทยัยมีเวทนาเป็นสิ่งที่ทําให้มันเกิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดนะครับตัณหานั้นมันก็ไม่ได้มีตัวมีตนมันเกิดจากเวทนา เมื่อมีการกระทบผัสสะเกิดความรู้สึกแล้วมันจึงเกิดตัณหาขึ้นนะครับมันไม่ได้มีตัวมีตนอะไรนะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี้มันไม่ได้ฝึกความอดทนไม่ได้ฝึกขันติพอไม่ได้ฝึกขันติมันประสบกับทุกขเวทนามันก็ไม่ชอบมันไม่รู้จะแก้ยังไงมันก็ต้องไปเพลิดเพลินกับสุขเพื่อให้มันหายทุกจบแล้วตัณหาเอาไปกินหมด แต่ในหลักของพระพุทธศาสนาท่านฝึกให้บำเพ็ญตบะเพื่อฝึกความอดทนฝึกขันตินะขันติเป็นตบะอย่างยอดเยี่ยมเคยท่องไหมท่องมานานแล้วแต่ไม่เคยฝึกขึ้ทีพอทุกข์ขึ้นมาก็ทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวเอ๊จะแก้ทุกข์ยังไงวะจะแก้ทุกข์ยังไงก็ต้องไปนอนกอดสุขเข้าไว้แต่สุขมันดันไม่เที่ยงมันก็เลยวนเวียนแล้วไม่รู้จะทํำยังไงแล้วตายสนิทนี่ตัณหาเอาไปกินหมดมันเป็นอย่างนี้ แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี้ท่านสอนให้มีความอดทนอันไหนมันเกิดรัเหตุอันนั้นจะดับไปเมื่อหมดเหตุเข้าใจไหมเข้าใจแต่ทำไม่ได้เอาเข้าไปนะหมดเวลาดีกว่านะอนุโมทนาทุกท่าน